ー ก็ตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าต้องพูดแข่งกับเสียงฝนอาการปฏิบัติที่เราได้เรียนรู้มาหรือกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนท่านได้วางแบบแผนเอาไว้ตามหลักสติปัฏฐาน4ีลักษณะเด่นของการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนคือว่าท่านจะให้เปิดตา มจะไม่หลับตาแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวไปด้วยคือเคลื่อนไหวมือที่ให้เปิดตาแทนที่จะปิดตาก็เพราะว่าหากปิดตาแล้วเนี่ยก็อาจจะติดสงบได้ง่ายและความสงบที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความสงบแค่ชั่วคราวพอเปิดตาหรือออกไปเกี่ยวข้องกับผู้คนออกไปทํางานทําการก็กลายเป็นไม่สงบเหมือนเดิม แล้วถ้าปิดตาแล้วเนี่ยบางทีหนักกว่า น, นั้นนะจากความสงบก็ค่อยๆผ่อยหลับไปเลยนะหลายคนพอปิดตาแล้วเนี่ยนะทีแรกก็สงบนะห้านาทีแรกอะ่ะพอผ่านไปสิบนาทีก็เริ่มง่วงพอสิบห้านาทีก็เริ่มโ ง, งนะแล้วก็ตัวก็โครงไปโครงมาโดยไม่รู้ตัวด้วย อันนี้เรียกว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งนะคือปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อให้ตื่นนะไม่ใช่เพื่อให้หลงถึงแม้ว่าจะไม่ตื่นแต่สงบนี้ก็ยังดีนะแต่ว่าหลายคนพอหลับตาแล้วยิ่งไ ม, ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยมันก็จะง่วงโงกไปเลยแล้วกลายเป็นสับประงบโดยที่เจอตัวก็ไม่รู้ตัว บางคนที่หลับตาเนี่ยบางทีนึกว่าตัวเองนั่งนั่งกายตรงนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยกำลังโครงกายโงกไปเงกมาอันนี้เรียกว่าหลงเลยนะแต่บางคนเนี่ยหลับตาแล้วเนี่ยก็ฟุ้งซ่านได้ง่ายเหมือนกันคือเข้าไปในความคิดได้ง่ายอันนี้หลวงพ่อเทียนก็เตือนเอาไว้นะว่าพอหลับตาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปในความคิดได้เร็ว เพรานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนเนี่ยนั่งหลับตาทําสมาธิแต่ว่าความสงบไม่เกิดด้วยซ้ํานะทะน่านาที่อยากจะได้ความสงบแต่ว่าจิตไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเรียกว่าหลงเข้าไปในความคิดอันนี้ก็เป็นหลงอีกแบบหนึ่งนะหลงพอกเข้าไปในความง่วงโง่นี่ก็เป็นหลงแบบหนึ่งหลงเข้าไปในความคิดก็เป็นหลงอีกแบบหนึ่ง แล้วก็บางทีก็ไม่รู้อะไรเลยสงบก็ไม่ได้ได้ความฟุง้งซ่านแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเคยมีโยมคนหนึ่งเป็นนายตารวจมาหาหลวงพ่อเทียนแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิมาเจปีแล้วแต่ว่าไม่พบความสงบเลยหลวงพ่อเทียนก็ถามว่านั่งยังไง แกก็นั่งให้ดูนะนั่งหลับตาแล้วก็คงจะเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจหรือแม่กระ่ไปกาหนดที่ท้องตอนที่เ้านั่งหลับตาอยู่เนี่ยเขาก็วางแว่นตาไว้ข้างตัวพอเขาวางแว่นตาไว้ข้างตัวหลวงพ่อเทียนก็หยิบแว่นตาเข้าไปซ่อนแล้วก็บอยเขาลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไอ้แว่นตาที่วางไว้สักครู่เนี่ยหายไปไหนเขาตอบบอกไม่รู้ หลวงพ่อเถรก็เลยถามว่ากั้นตาหายเนี่ยดีหรือไม่ดนะีมีคุณหรือมีโทษเขาบอกว่าไม่ดีมันเป็นโทษนะหลวงพ่อเถรนั้นก็เลยชี้ว่าเนี่ยทั้งนั่งหลับตาเนี่ยนะมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคือเจ้าตัวเองก็ใจก็ไม่สงบแถมแบนตาก็ยังหายอีกนะอันนี้ท่านเหมือนก็นจะชี้ว่ า, าการปิดตาเนี่ย นะมันก็นำไปสู่ความหลงได้ง่ายสู่ความไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องตัวเองเท่านะั้นแม้กระทั่งแว่นตานี่ก็ไม่รู้หายไปไหนนี่ถ้าให้เปิดตาเนี่ยนะเพื่อให้ให้รู้นะให้รู้ทั้งข้างนอกเวลาเจริญสติในกุฏิในบ้านนะก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรอบตัวได้ง่ายจะมีคนเข้ามาในบ้านก็รู้อันนี้เรียกว่ารู้นอก หรือถึงแม้เราอยู่ในวัดนะเราก็รู้ว่า อ, อ๋อมันมอีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวบ้างแต่สักว่ารู้นะรู้แล้วก็วางส่วนอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้นะรู้อะไรนะรู้ความคิดสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเขาเน้นก็คือว่าฝึกเพื่อให้รู้ทันความคิดทําไมต้องรู้ทันความคิดก็เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันทุกข์เพราะความคิด ทุกเพราะความคิดนั่งอยู่ตรงเนี้ก็สบายดีอากาศก็ไม่ร้อนถึงแม้พื้นจะแข็งสักหน่อยนะก็ยังมีเบารองยุงก็ไม่ค่อยกวนมากแต่หลายคนเนี่ยพอคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงงานคิดไปถึงภาระาที่คอยอยู่คิดไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวก็เกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดขึ้นมาทันที แล้วัาทีก็คิดไปถึงสิ่งที่กลายเป็นอดีตไปแล้วผ่านไปแล้วไม่สามารถจะหวนกลับมาได้ก็ยังคิดอดคิดถึงมันไม่ได้คิดแล้วก็เป็นทุกข์คิดแล้วก็เศร้าลองสังเกตดูนะเวลาเราเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราใจอยู่กับปัจจุบันนะแต่เป็นเพราะใจเลยนะ่ยไปคิดถึงอดีตความโกรธบ่อยครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่า เรามีปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะแต่เ พ, เพราะเราไปคิดถึงคนที่เขาต่อว่าด่าทอเราคิดไปถึงคนที่เขาหักหลังเราโกงเรานะบางทีอาจก็ผ่านไปแล้วเป็นสิบยี่สิบปีก็ยังก็ยังลืมไม่ได้นะพอคิดไปเนี่ยก็ทุกข์เลยถึงเรื่องอดีต ก, ก็ทำให้เศร้าทำให้โกรธหรือบางทีก็ทำให้รู้สึกผิดไม่ได้ดูใจแม่ ตอนที่ท่านจากไปไม่ได้ไปงานศพของญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามาผ่านไป10 20ปีก็ยังนึกเสียใจนึกตำหนิตัวเองบางทีถึงขั้นโวยตีตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นพ่อใจเนี่ยมันคิดถึงเรื่องอดีตหรือถ้าไปนึกถึงเรื่องอนาคตก็ทุกไปแบบหนึ่งคือเกิดความกังวลนะเกิดความวิตกขึ้นมาหรือเกิดความกลัว ถ้าลองดูดีๆนะ่เวลาเราเศร้าเวลาเราโกรธเวลาเรารู้สึกผิดเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นเพราะใจไปคิดถึงเรื่องในอดีตเวลาเราวิตกกังวลเวลาเรากลัวเวลาเร า, เ, าเครียดขึ้นมาเนี่ยบ่อยครั้งก็เกิดจากการที่เราไปนึกถึงอนาคตรถติดเนี่ยที่เครียดเพราะอะไรนะเพราะว่ากลัวว่าจะไปไม่ทันนัดกลัวว่าจะไปประชุมไม่ทัน กลัวว่าจะตกเครื่องบินทั้งหมดนี้ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าพอคิดเท่านั้นแหละนะก็เครียดก็วิตกกังวลกเ็เป็นทุกข์ทันทีบางทีเราก็ทุกข์เพราะว่าไปให้ค่าหรือไปตีค่ากับสิ่งต่างๆอาหารที่วางอยู่หน้าเรานะถ้าเราคิดว่ามันอร่อย เรากินเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเคี่ยวมันแม่อร่อยนะเราก็จะเสียดายเงินรู้สึกเป็นทุกข์กับการที่ต้องกินนะเพราะอาจจะพ่อจ่ายไปเยอะนะเสียเวล่เวลาให้การที่เราตีค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้อร่อยแม่อร่อยอย่างนี้เร็วอย่างนี้ช้าเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์ ได้แต่กระทั่งการตีค่าว่าอย่างนี้น้อยอย่างนี้มากเราคาดหวังว่านะอยากได้พันนะแต่พอได้500เนี่ยก็ทุกทันทีไอห้500นี่บางทีไม่ใช่500ธรรมดานะมันคือ500ล้านมีคนหนึ่งอ่เป็นอาสาสมัครสายด่วนฮอตไลน์ line, ซึ่งคอยอ่แก้ปัญหาหรือคอยเป็นที่รับ ฟังความทุกข์ของคนที่กลุ้มอกกุ้มใจอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ันมีสายดวนแบบเนี้ยสายดวนเช่นสายดวนสมาริตันเนี่ยพราเล่าันนึ่ก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งโทรมาที่รว่าเป็นนักธุรกิจเพราะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่ากิจการขนาดใหญ่เขากุ้มอกกุ้มใจมากเพราะว่ากิจการเขาเนี่ยมันไม่เดียวเส้นเลย แย่ซ yeah. ักไปซักมาก็พบว่ากิจการเขาเนี่ยมันกาไรแค่ห้าพันล้านเขาทุเพราะว่าเคยปีก่อนนั้นกําไรหมื่นล้านนะทีแรกนึกว่าขาดทุนนะถึงมีคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะแต่เป็นเพราะว่ากําไรแค่ห0 0 0ันล้านไอ้ความคิดว่าแค่เนี่ยนะแค่ห0 0พันล้านนี่มันก็ทำให้คนทุกข์ได้นะ ได้บนัสมาสองล้านแต่พอคิดว่าแค่2 0 0พันล้านอ่ะสองล้านเนี่ยมันทุกเลยเพราะอะไรเพราะไปรู้ว่าคนอนื่นเขาได้สมล้านนะสองล้านนี่จากที่เยอะกลายเป็นกลายเป็นน้อยไปเลยไอ้ความคิดว่าแค่นี้แค่ห้าพล้านเนี่ยก็ทำให้คนบางคนกุ้มหม อ, อ ก, กุ้มใจกินไม่ได้น้อยไม่หลับตัวใหญ่ค่าตัวตายได้นี่ก็เป็นเรื่องความคิดเหมือนกันนะไปตีค่าว่ามันน้อยนะเพราะมีการเปรียบเทียบ ห้พันล้านเนี่ยเยอะมากแต่พอไปเรี่ยทกับกับหมื่นล้านมันกลายเป็นน้อยมันกลายเป็นแค่นี้เองนะและลองดูดีๆนะคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะความคิดซะเยอะยิงอยู่นะเวลาเราทุกข์เนี่ยนะเป็นเพราะมีความโศวความเศร้าความโกรธความกังวลความเครียดแต่อารมณ์เหล่านี้เนี่ยสาวไปให้ดีนะมันเกิดเพราะความคิดถ้าไม่คิดนะ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็ไม่โกรธไม่ก็ไม่เศร้านะอย่างตอนนี้เนี่ยจะบอกให้โยมเนี่ยโกรธเนี่ยเราจะโกรธไหมบอกให้เศร้าเนี่ยตอนนี้เราจะเศร้าไหมมันเศร้าไม่ได้จนกว่าเราจะคิดถ้าเราคิดถึงคนที่เราเกลียดคิดถึงคนที่เขาทรายศหักหลังเราเราจึงจะโกรธถ้าเราคิดถึงความสูญเสียพัดพร่างที่เกิดขึ้นคิดถึงคนที่จากเราไปเราถึงจะเศร้าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์นะ แต่อารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากความคิดเป็ น, ปนจุดเริ่มต้นก่อนที่จริงความคิดไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเราใช้ความคิดเพื่อแก้ทุกข์นะเวลาอากาศร้อนเราก็คิดว่าทํำยังไงนะอากาศมันจะเย็นเช่นเปิดพัดลมติดแอร์หรือว่าไปอยู่ในในร่มไม้เวลาป่วยเราก็คิดว่าเราก็ต้องใช้ความคิดในการาหาทาง รักษาความเจ็บป่วยคนเราใช้ความคิดเพื่อแก้ทุกข์แต่บ่อยครั้งเนี่ยความคิดมันกลับทําให้เราเป็นทุกข์เสียเองเพราะอะไรเพราะมันเป็นการคิดที่เราไม่ได้จงใจคิดหรือพูดถูกต้องคือมันเผลอคิดความคิดมันมีสองแบบนะคือตั้งใจคิดกับเผลอคิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราทุกข์เพราะการเผลอคิดนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะ ถ้าคิดตามที่อาจาพูดเนี่ยจะไม่ค่อยทุกข์หรอกแต่พอเผลอไปคิดถึงนะงานการที่ยังค้างคาอยู่เผลอคิดไปถึงปัญหาที่ยังสาสางไม่จบเนี่ยถามว่าอยากคิดไหมไม่ได้อยากคิดหรอกแต่มันเผลอคิดไปเองทําไมเผลอคิดนะเพราะว่ามันเป็นนิสัยไปแนลักของจิตนะใจเรามันเผลอบ่อยความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นโทษนะมันเป็นมันเป็นคุณถ้าเรารู้จักใช้มันนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราไม่รู้จักใช้มันมันก็มาใช้เราทันทีมันใช้เราให้คิดเป็นวักเป็นเวณถึงเวลานอนมันก็ไม่ยอมหยุดมันบอกขอคิดต่อนะขอคิดต่อหาเรื่องคิดสารพัดแล้วเราก็เลยนอนไม่หลับแล้วเราก็เลยกุมใจแล้วเราก็เลยเอามือไก่หน้าผากแล้วเราจะจัดการกับความคิดแบบนี้อย่างไรคาตอบคือรู้ทัน จริงๆแล้วจะพูดว่าเราทุกข์เพราะความคิดเนี่ยก็ไม่ถูกทีเดียวนะต้องพูดว่าเราทุกข์เพราะเราไม่รู้ทันความคิดเราทุกข์เพราะหลงเข้าไปในความคิดคําว่าหลงนี่แปลว่าเราไม่ได้ตั้งใจแปลว่าเราเผลอไอ้ที่ตั้งใจคิดเนี่ยนะมันก็จะไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่แต่บางครั้งเนี่ยพอตั้งใจคิดไปสักพักนะมันจะเผลอมันจะเผลอเข้าไปในความคิด แล้วก็วนไปคิดมาไม่จบไม่สิ้นสักทีคิดแล้วคิดอีกเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันเผลอเข้าไปแล้วบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งใจคิดแต่เผลอปุ๊บเดียวเนี่ยนะมันเข้าไปในความคิดแล้วแล้วก็ถูกความคิดลากไปอันนี้แสดงว่าความคิดมันใช้เราแล้วนะแสดงว่าเราไม่รู้ทันมันการจริญสติเนี่ยนะ ก็คือเพื่อให้เรารู้ทันความคิดเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะก็จะวางความคิดได้นะเราสังเกตดูเวลาเราเจริญสติไปมันเผลอคิดไปเรื่องอื่นแล้วแต่พอเรารู้ทันมันเมื่อไหร่นะความคิดนั้นหยุดเลยนะมันเหมือนกับผู้ร้ายเนี่ยนะที่แอบเข้ามาในบ้านเราเพราะเราเผลอ แต่พอเราเจะเอกับโจรผู้ร้ายเนี่ยมันตกใจเลยหรือว่ามันอายเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆล่าถอยหนีไปไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ตีมันไม่ต้องเอาปืนไปยิงนะแค่เจะเอะแค่นั่นแหละนะไอความคิดที่มันแอบเข้ามาเพื่อจะคลองจิตคลองใจเรามันก็อับอายขายหน้าละอายใจมันก็หนีไป ไม่ต้องไปหยุดไปห้ามไม่ต้องไปกดข่มความคิดนะเพียงแค่รู้ทันแต่การที่เราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยมันต้องฝึกให้มารู้กายก่อนรู้ทันความคิดนี่เป็นส่วนหนึ่งของการรู้ใจการที่เราจะรู้ใจได้ต้องเราต้องรู้กายก่อนเพราะว่ากายเป็นของหยาบส่วนใจเป็นของละเอียดถ้าเราไม่รู้ ทันในสิ่งที่มันหยาบยาบเนี่ยเราจะไปรู้สิ่งที่ละเอียดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการฝึกเนี่ยเราจะเริ่มต้นในการที่เรารู้กายรู้กายคือรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่มองหน้าตัวเองในกระจกแล้วรู้ว่านี่คือเราเท่านั้นไม่ใช่รู้ว่าเออเรามีมือมีแขนมีขาไม่ใช่ว่าเห็นเห็นบางส่วนของของตัวเราเช่นเห็นแขนเห็นขาก็บอกได้ว่านี่คือแขนขาของเรา อันนี้ไม่ใช่รู้กายในความหมายที่ธรตมมาพูดรู้กายหมายถึงว่าเวลากายทำอะไรนะก็รับรู้การรับรู้เนี่ยนะมันไม่ใช่รู้ด้วยตานะมันมันรู้สึกเช่นยกมือแล้วรู้สึกว่ามือยกมือเดินก็รู้สึกว่าเท้ากาลังเคลื่อนหรือว่าตัวนี่กาลังขยับอันนี้เรียกว่ารู้กายคือรู้ว่ากายกาลังทำอะไรอยู่แล้วมันเป็นการรู้กายชนิดที่ว่าไม่ใช่ว่าเราทานั่นทานี่ ไม่ใช่ว่าเราเดินไม่ใช่ว่าเรายกมือนะไม่ใช่ว่าเราล้างหน้าแต่มันเป็นกายที่ทำกายที่ยกมือกายที่เดินกายที่ทำนั่นทำนี่อันนี้เรารู้กายแต่บางทีเราก็เรียกง่ายๆว่ารู้ตัวนะรู้ตัวเนี่ยมันก็รู้สองอย่างก็คือรู้กายกับรู้ใจนั่นแหละนะเราต้อตัวในการรู้กายก่อนเราจะรู้กายได้เนี่ยใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าใจไม่อยู่กับนื้อกับตัวเนี่ยมันรู้กายไม่ได้หรอกถ้าตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่ที่บ้านนะก็ไม่รู้หรอกว่ากาลังนั่งอยู่อาบน้ำอยู่แต่ใจเนี่ยไปคิดถึงงานหรือว่ากาลังนึกว่าจะทำครัวอะไรดีวันนี้ใจไปอยู่ที่ครัวแล้วตอนนั้นแหะนะไม่รู้หรอกว่าก er าลังอาบน้ำกาลังล้างหน้าหรือกาลังทำอะไรใจต้องอยู่กับเนึกับตัวถึงจะรู้ตัวถึงจะรู้ว่า กำลับบงทําอะไรอยู่ผู้ยานนั่คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะหลักการเจริญสติมันง่ายๆคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น <S <S และการที่ใจอยู่กับตัวเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบังคับปองคนคุณพยาไปบังคับนะบังคับจิตด้วยการกําหนดให้จิตมันอยู่ที่เท้าให้จิตมันอยู่ที่มือให้จิตมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่เพ่งล้อันนี้เรียกว่าจ้องแล้วนะอันนี้คือการบังคับจิตซึ่ง จิตมันจะสงบชั่วคราวจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวชั่วคราวแต่ว่าเผอปุ๊บเดียวมันไปแล้วแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเครียดนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ชอบการบังคับเราไปบังคับมันเนี่ยเราเองก็เหนื่อยเพราะจิตมันก็พยายามสู้พยายามขัดขืนนะจิตเราเนี่ยบางทีมันเหมือนหมานะลูกหมาที่เราอยากจะให้มันอยู่บ้านแต่ว่ามันไม่ชอบอยู่มันชอบวิ่ง ออกไปนอกบ้านบางคนอยากจะให้หมาเนี่ยลูกหมามันอยู่กับบ้านทำยังไงก็ผูกมันเอาไว้ขังมันเอาไว้ล่ามโซ่มันเอาไว้ก็ได้ผลชั่วได้ผลนะแต่ว่าชั่วคราวถ้าเชื่อขาดโซ่หลุดเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วก็เรียกกลับมาได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าโซ่ไม่ขาดผูกไว้นานๆมันจะเครียดมันจะกลายเป็นหมาก้าวร้าวจิตเราก็เหมือนกันนะ ถ้าเรไปบังคับมันเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตที่ก้าวร้าวหรือว่าอย่างน้อยๆก็เป็นจิตที่เครียดและเครียดเนี่ยมันก็คือโทสะชนิดหนึ่งนะจะทําให้เราหงุดหงิดง่ายคนเดินผ่านหน้าเนี่ยก็หงุดหงิดละคนพูดเสียงดังจริงเขาไม่พูดเสียงดังก็พูดเบาๆแต่ว่ามันเข้าหูเราเนื่องจากเราตอนนั้นเราหงุดหงิดเราก็จะโกรธเขานะจเจริญสติทําให้ดีนะมันจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดโกรธ ก็เหมือนหมานะหมาน้อยที่ไปผูกมันนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวเราต้องให้อิสระคนนะให้อิสระให้อิสระกับหมาน้อยที่มันจะเดินวิ่งออกไปแต่เราพยายามเรียกมันมบ่อยๆเรียกมันมบ่อยๆใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยยอมกลับมาหรอกนะแต่ว่าพอเราไม่ไม่ลดไม่ละในการเรียกมันมันก็จะกลับมาแล้วก็จะกลับมาเร็วขึ้นเร็วขึ้น จนกระทั่งมันสามารถจะกลายเป็นหมาที่เชื่องก็คือว่ามันรู้ด้วยตัวของมันเองนะมันเพลอออกไปนอกบ้านสักพักพอดีเสียงเห่าสักพักมันก็รู้ตัวแล้วมันก็กลับมาเพราะมันรู้ว่าบ้านของมันเนี่ยที่ของมันเนี่ยคือบ้านนะเราไม่ต้องเรียกมันบ่อยๆจิตของเราก็เหมือนกับหมาน้อยนะมันชอบวิ่งออกไปท่องเที่ยวออกไปนอกตัวไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ แเราก็เรียกมันแต่เราไม่ใช่เรียกด้วยด้วยเสียงเราใช้การเคลื่อนไหวนี่แหละนะเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่มือเมื่อมีการเดินขยื่นขยับการเคลื่อนไหวนั่นแหละมันจะเหมือนกับเป็นเสียงเรียบนะให้จิตมันกลับมาคล้ายๆกับเวลาเรากำลังนั่งอยู่เฉยๆแล้วใจเราลอย ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกัตัวเราตอนนั้นเกิดมีคนมาสะกิดเราเกิดมีคนมาแตะเราที่มือเนี่ยจิตเราจะกลับมาทันทีเลยจิตเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมันพอมีคนมาแตะเรารู้เรารู้สึกตัวมันมีการสัมผัสมันมีการสะกิดการจริญสติเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่รอให้ใครมาสะกิดเราเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละ เมื่อมือเขยื่นขยับเมื่อเท้านะเดินเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณไปสะ ก, กิดใจให้กลับมาใจเนี่ยมันไปแล้วนะไปอยู่บ้านแล้วบางทีก็ไปถึงอเมริกาเพราะว่าลูกอยู่ที่นั่นแต่ว่าพอมีการเคลื่อนไหวที่มือนเนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นเป็นตัวที่สะ ก, กิดใจความรู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไปสะ ก, กิด จิตให้มันกลับมาแล้วสติก็จะทำงานได้ดีขึ้นจิตจะพัฒสติก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นสติแปลว่าความระลึกได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราระลึกได้ในเรื่องนอกตัวเช่นจำได้ว่ารถเรายี่ห้ออะไร ซ, ะซื้อเมื่ อ, อไรนะเลขทะเบียนอะไรราคาเท่าไหร่นะ เราจำได้ว่าบ้านเราอยู่ไหนนะบ้านเล็กที่อะไรเราจำได้ว่าโทรศัพท์ของเรายี่ห้ออะไรเวลาเราทำงานนะเราก็สามารถจะลึกลึกได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วทางานไปถึงไหนมีเรื่องอะไรค้างคานี่คือสติที่ช่วยให้เราระลึกได้และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้แต่มันยังเป็นสตินอกตัว สติที่เราลึกได้ในเรื่องนอกตัวสิ่งที่เราต้องมีก็คือสติที่ทำให้เราเราลึกได้เรื่องตัวเองไม่ใช่รู้ว่าเราชื่ออะไรเกิดเมื่อไรเลขทะเบียนเลขบัตรประชาชนคืออะไรแต่ที่มันสำคัญกันนั่นคือรู้กายรู้ใจนะเราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจหลายคนเนี่ยมีความจาที่ดีจำสับ ภาษาต่างประเทศได้ห้าพันคำหมื่นคำนะเวลาเจอศัพท์ภาษาอังกฤษสามารถจะระลึกได้ทันทีแม้ว่าจ ะ, ะไม่ได้ใช้มันมาเป็นปีแล้วรนะละลึกได้ไวบางคนจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เนี่ยเป็นร้อยๆเบอร์สมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือบางคนแล่พักเครื่องสามารถที่จะจำได้ว่าพักเครื่องที่ตัวเองมีเนี่ยซึ่งมีเป็นร้อยเนี่ยนะ มีรุ่นไหนบ้างถามปุ๊บก็บอกได้ปับเลยพวกแฟนพันธ์แท้นเนี่ยความจำดีมากเลยนะจำได้ว่าอัลบั้มแรกของบิทเทิลเนี่ยนะอัดเสียงที่ไหนใครเป็นโปรดิวเซอร์นะออกเมื่อไหร่วันใดเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการจำได้ในเรื่องนอกตัวและบางคนจำได้ไว้แล้วก็ลืมยาก วิชาความรู้ที่เรียนมาเป็นเมื่อสี่หปีที่แล้วยังจําได้แต่คนที่จําเก่งเหล่านี้เนี่ยนะพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระ ล, ลึกได้เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยมักจะลืมง่ายลืมตัวง่ายลืมตัวในที่นี้คือว่าลืมว่ากําลังทําอะไรอยู่หลายคนที่จําเก่งจําแม่นจําเร็วจําไว้พอมาให้มาเจริญสติเนี่ยนะสร้างจังหวะได้แค่นาทีเดียว ก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองกำลังสร้างจังหวะให้กินข้าวเนี่ยกินข้าวแค่ไม่ถึงนาทีนะลืมไปแล้วว่ากาลังกินข้าวเพราะใจลอยนยีอันนี้เราว่าลืมตัวลืมตัวนี่มันไม่ใช่แปลว่าพวกวัวลืมตีอย่างเดียวนะอันนั้นเป็นเป็นเป็นการลืมตัวแบบแบบหยาบลืมตัวแบบและเอียดคือลืมว่ากาลังทาอะไรอยู่และกว่าจะระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยใช้เวลานาน คิดไปสักสิบเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ตัวว่ากำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะคิดไปหลายเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ว่ากำลังนั่งฟังคำบรรยายอันนี้เป็นธรรมดานะเพราะว่าสติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยส่วนใหญ่ามาเป็นสติที่ทําให้เราเราลึกสิ่งภายนอกได้เราลึกสิ่งนอกตัวได้แต่การที่เราจะเราลึกเรื่องตัวเองคือรู้กายรู้ใจเนี่ยนะมันเป็นสติอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสัมมาสติ หรือว่าสติปัฏฐานสติชนิดนี้เนี่ยมันประกอบด้วยความรู้สึกตัวคือถ้ามีสติแบบนี้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาจะไม่ลืมตัวคนที่มีความจำได้แม้ความจำแม่นจำอะไรได้มากมายสิบปีก็ไม่ลืมเนี่ยนะบางทีลืมตัวได้ง่ายมากเลยใจลอ ย, ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราสามารถพัฒนาได้นะ ด้วยการมาเจริญสติมันรู้สึกตัวบ่อยๆมันระลึกได้บ่อยๆแต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะระลึกช้าก็ช่างมันอย่าไปหงุดหงิดัวเสียกับกับใจของตัวเองต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆและสติเนี่ยที่เป็นเรื่องการระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจคือรู้ตัวเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจทำนะเวลาเราจะนึกสับเนี่ย เราต้องต้องใช้ความตั้งใจเราลึกว่าเออสับครับสับตัวนี้มันอะไรเวลาเราจะท่องบทอาขยาเนี่ยของโลกกนิตเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมมาตอนนี้จะจำเนี่ยบางทีต้องใช้เวลานะตั้งใจนึกเช่นที่ว่ารู้น้อยว่ามากรู้เลืงใจคนกบเกิดอยู่ในสาสจอยเนี่ยบางคนเนี่ยนึกได้สองนึกได้แค่เนี่ยจะนึกต่อเนี่ยต้องใช้ความตั้งใจถึงจะนึกได้ครบจะจะนึก ตัวเลข13หลักในบัตประชาชนเนี่ยต้องตั้งหลักนึกต้องตั้งใจนึกถึงจะระลึกได้ถึงจะจําได้แต่ว่าการระลึกเรื่องตัวเองเนี่ยหรือว่าการรู้กายรู้ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเองจะตั้งใจเนี่ยมันไม่มันไ ม, ไม่ไม่ออกมานะไอความระลึกได้แบบผุดขึ้นมาเองเนี่ยในชีวิตประจําวันเราก็มีอยู่เยอะนะใช่เราอ่านใช่เรากําลัง อ่านิยายเล่นเฟซบุ๊กเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว้ลืมไปเลยนึกมาได้ทันทีไอการนึกขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยมันนึกขึ้นมาเองการจลสติเนี่ยก็คือฝึกให้เรานึกขึ้นมาได้เองถามว่าจะทําได้ยังไงทํำเรื่อยๆตอนนี้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นเนี่ยเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะอาุติเท่านี้แหละอ่ากราบพระพร้อ